พระธรรมเทศนาแผ่นที่103าลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่11กุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่าฝึกจิตให้คิดวิปัสสนาตอนน่อในไปหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังแต่หลวงพ่อคงจะไม่พูดนานล้ ว, วันนี้นะคณ า, า, าจารา์โยมลูกหลาน เดี๋ยวจะให้ครูบาเปิดเทปหลวงพ่อให้ฟังเพราะว่าเทปของหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกว่าแทนหลวงพ่อได้นะเพราะเสียงชัดเจนเหมือนกับปัจจุบันการพูดเหมือนปัจจุบันเพราะ้ันหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังเปล่ารบในงานในวันนี้เพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็น วัดเป็นไอได้จะวัดดีขึ้นไม้มก็ดีขึ้นกว่าทุกวันอยู่เมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าโอ้เป็นมากเพราะมันเดินทางไกลแล้วก็มันกระทบทั้งร้อนทั้งเย็นก็ททำให้เป็นรู้สึกว่าไม่ปกติอย่างมากเมื่อวานเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าดีขึ้นเมื่อหลวงพ่อพูดจบลงไปแล้วก็ต่อมา ต่อไปก็ฟังเทศเราพวกเราก็นั่งสมาธิเลยนะนะเพราะวันนี้จะให้ครบทุกอย่างเลยวันนี้นะทั้งทานโดยทั้งศีลโดยทั้งสมาธิด้วยวันนี้ทั้งปฏิบัติบูบชาทั้งอามิชฌาบูชานะอาหมิชฌาบูชาของเราเนี่ยกราบพระพุทธเจ้าเวียนประทักษิณสามรอบเนี่ยอามิชฌาบูชาปฏิบัติบูบชาเราก็นั่งสมาธิ ดูจิตดูใจของตนเองเนี่ยนะปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าท่านยกย่องว่าการปฏิบัติบูบชานะเลิศประเสริฐกว่าอามิชบูชาในหะลักธรรมคำสอนของพุทธะนะวันนี้เป็นวันที่ 11. กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันมาฆบูชาตั้งแต่ เมื่อวานแต่พวกเราก็ได้เตรียมการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณของวัดก่อธนิมนต์พระสงฆ์จากจากตุรทิศมาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็พวกเราก็ได้ทำบุญทำทานถวายเจตุปัจจัยพระสงฆ์เมื่อเช้าพวกเราก็่พระสงฆ์กลุ่มใหญ่ ก็ม <ito> ีในวัดของเราก็พร้อมกับพี่น้องประชาชนมาจากจาตุรสทศิมาร่วมกันทำบุญตักบาทจากนั่นก็ได้ถวายสังฆทานถวายจะถูปัจจัยพระสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์ก็ไดรอนุโมทนาพวกเราก็ได้ทำบุญถวายเพื่อทิดส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณ กล่าวระบุถึงผู้ที่มีพระคุณสำหรับวัดของเราก็รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนล้นหลามมากพอสมควรเพราะว่าหลวงพ่อเองก็ไม่คิดว่าจะมีพี่น้องประชาชนมามากเพราะว่าต่างวัดก็ต่างเป็นวันมาฆะบูชาของใครของเราแต่นี่พี่น้องประชาชนก็ยังให้ความสนใจ มาที่วัดของเราก็พอสมควรก็เมื่อเช้าก็สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีพอถึงตอนเที่ยงพระสงฆ์ท่านก็ได้ลงอุโบสถนะพระที่ลงอุโบสถเมือม่อตอนกลางวันตอนเที่ยงวันนี้ก็เกือบผ้าสีรูปพระสงฆ์ลงอุโบสถแล้วก็ตอนเย็นวันนี้ก็ได้มาร่วมกัน ที่าลาแห่งนี้จากนั้นเราก็ได้กล่าวคำถวายเครื่องสักการะวันมาฆบูชาจากนั้นพวกเราก็ได้ประทักษิณเวียนสามรอบพระพุทธปฏิมาคือเป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธทเจ้าเราลำลึกถึงพระสงฆ์ในวันนี้คล้ายกับวันนี้ เมื่อ3 0 0พันกวเมื่อ 2,500 ร้อยปีให้หลังพระสงฆ์ได้ไปชมกันที่วัดป่าวเวลุวันกุงราชคือพระสงฆ์พันสอรูปพอย่างที่พวกเราได้กล่าวคำลำลึกถึงจากนั้นพวกเราก็ได้ประทักษิณเหมือนกับพระสงฆ์นั่งอยู่ที่ศาลา พร้อมกับร พ, พระพุทธเจ้าพวกเราก็เดินพระทักศินรอบพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์จากนั้นเราก็ได้ขึ้นมาทำวัดคารวะ ส, ะสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จบลงแล้วต่อนี้ไปหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นประธานสงฆ์ก็จะได้กล่าว สมโมธธนิยกถาในวันสำคัญคือวันมาฆบูชาณวันนี้นะขอให้พวกเราทุกทุกท่านตั้งใจฟังแต่หลวงพ่อคงจะไม่พูดอะไรมากเพราะหลวงพ่อเป็นไม่ไม่เกี่ยวกับเสียงไม่ปกติเสียงไอนะแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็จะพูดให้ฟังในช่วงระยะหนึ่ง จากนั้นก็คงจะมี MP3 เปิดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังจากนั้นก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายนั่งปฏิบัติหรือพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อฟังธรรมเทศนาจบลงไปแล้วนะพวกเราจะปฏิบัติธรรมที่ศาลาหลังนี้ก็ได้นะผู้ที่จะปฏิบัติธรรมปิดประตูซะทุกด้านทั้งสองด้านจากนั้นพวกเราก็เดินยังกมนั่งภาวนา เปิดไฟอย่างไวให้สว่างยุงก็ไม่มีอย่างที่พวกเรานั่งอยู่นี่นะแต่อากาศก็เย็นเย็นอยู่บ้างนะแต่ไม่ถึงกับหนาวมากถ้าจะว่าไปกับพอดีพอดีสำหรับผู้นั่งปฏิบัติธรรมนะไม่ถึงกันหนาวแต่เย็นเย็นสำหรับเหมาะสำหรับอุตถุสัปปายะขนาดนี้แหละถ้าร้อนก็ลำบากเนยถ้าหนาวกว่านี้ก็ คงลำบากต้องใช้หาผ้าหรืออำนวยความสะดวกในในการหาอำนวยความสะดวกให้ทำความอบอุ่นแต่นี้หลวงพ่อคิดว่าไม่ถึงกับหนาวน ะ, ะนั่นแหละเหมาะเรียกว่าอุตสุสัปลายะเพราะนั้นวันนี้พวกเราก็นอนนอนจมนอนใจมาในโลกวัตะสงสารมานานเท่านาน ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาตินะถ้าจะพูดตามแนวแถวของพุทธะนะแต่บัดนี้วันนี้พวกเราเสียสละสักวันนึ่งข้าพรเจ้าจะไม่นอนจะเดินกับนั่งสองเอาอริยาบทสองเท่านั้นอันนี้ก็ให้ดูธาตุขันของตนเองนะแต่ถึงเราไม่นอนบางคนก็วิ่งเวียนศีรษะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องให้ดู สุขภาพของตัวเองบ้างแต่งว่าพอทนไหวทดลองทดสอบดูอย่างคูบาทั้งหลายคูบาน้อยคูบาหนุ่มทั้งหลายเนี่ยหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราปฏิบัติจริงจังและจริงใจในการภาวนาเราเจะยึดกรรมฐานไหนเป็นหลักให้ยึดพุดโทโธนั่นะอ่า ตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราแนะนําสั่งสอนตามส้นสายหลวงปู่มั่นพวกเราก็มาศึกษาในแถวในแนวแถวสายหลวงปู่มั่นพวกเราก็ต้องปฏิบัติตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเวลาเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโทแต่จังไงก็ให้มีสติสัมปชัญญะในตัวเองในการนั่ง ในการเดินนี่แหละอันนี้แหละคือวิธีการภาวนาให้มีสติอยู่กับตนเองสตินี่นสำคัญถ้าว่าเราเผล อ, อเลอะเผลอสติไปแล้วนะถึงจะนั่งอยู่ที่ใดก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามระยะบทไหนก็ตามแปลว่าคนขาดสติไร้ประโยชน์ไร้ค่าไม่ใช่นั่งสมาธินะแต่ถ่างว่าเรามีสติอยู่กับตนเองอยู่ แต่ว่าเรานั่งสมาธิเพราะมีสติสัมปชัญญะนะนี่แหละอันนี้คือคือให้พวกเราใส่ใจในจุดนี้แต่ผู้ที่เคยนั่งภาวนามาแล้วจิตใจสงบผ่านความสงบมาแล้วนะอันนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะแนะนำให้นั่งสมาธิให้จิตสงบตลอดไปไม่ใช่ใพวกเรา ต้องพิจารณานะฝึกหัดพิจารณาเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนะเราก็ถอนจิตออกมามาพิจารณาร่างกายของเราพิจารณาถึงอเนจังของม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตามิใช่ตัวตนของเราพิจารณาถึงร่างกายของเราสมัยเราเป็นเด็กต่อมาก็เป็นเด็กใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวจนถึง เป็นอายุถึงขนาดนี้ลหละจนถึงเท่าแก่ชราจนถึงต่อไปเราจะเป็นอะไรอีกล่ ะ, เ, ะเราต้องทึกคิดถึงว่าจุดจบของชีวิตของเรามันมีจุดจบแน่ๆอีกสักวันหนึ่งนี่แหละคือเราเห็นอันตรางของไม่เที่ยงของร่างกายจากนั้นเมื่อไ ม, ไ ม, ไม่เมื่อเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายร่างกายที่เป็นทุกข์ไม้มันก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย หรือว่าเมื่อมันเท่าเท่าแ ก, ากาชราเข้าไปอย่างหลวงพ่อเนี่ยเดินขึ้นไปที่ไหนๆหเดินขึ้นขนาดเดินขึ้นกุฏิตัวเองเดินขึ้นศาลายังเสาแหกกละ่ะนี่แหละเราเห็นเลยทุกถ้าแกกว่าวนี้เราจะทำอย่างไรเนี่ยมันต้องทุกกว่านี้เ ม, เมื่อเมื่อแกเท่าชรากว่านี้แล้วมันแกไปหาไหน ไปหาแก่ไปหาจุดจบของมันคือร่างกายมันต้องมีจุดจบเพราะนั้นสิ่งเหล่านีนะ้เราพยายามฝึกหัดคิดล้วนแล้วแมีเป็นวิปัฒนาปัญญาทั้งนั้นที่การคิดอย่างนี้คือเราคิดไม่ให้จิตใจของเราลุม่มหลงมัวเมาติดอยู่ในโลกวัฏสงสารนี่แหละเมื่อจิตของเราผ่านความสงบแล้วนะอยากจะให้พวกเราคิดดูร่างกายของเรา ตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยนะแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายมีอาการสาสองเกสาโรมานขาทันต า, เ, าเกสาผมโรมาขนนะคาเล็บทันตาฟันแต่โจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกอย่างที่พวกเราได้สาธยายนั่นแหละนี่แนะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมนี่แหละเมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงนหะแยกส่วนแบ่งส่วนอันไหนคือเรา น่ารักใคร่ชอบใจอันไหนมันจะจิรังถาวรมันจะอยู่นานเท่านานมีไหมร่างกายของเราเราอ า, อาศัยไปชั่วครั้งชั่วงเก่าช่วงข่าวช่วงอายุของมันจะเสื่อมสลายเท่านั้นเองแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะต้องเสื่อมสลายแน่ๆนีอันนี้เราก็พยายามฝึกหัดนึกคิดในใจของเราอันนี้คือ เริ่มเดินวิปัสสนานี่แหละวิสมัมมธาคือทาจิตใจให้เนิง่งจิตใจให้สงบแต่วิปัสสนาเนี่ยทำใจให้เคลื่อนให้เคลื่อนไหวให้นึกคิดเน่ยนึกวิปัสสนึกนึกตรึกตรองเมื่อตรึกต้องด้วยเหตุด้วยผลแล้วนั่นแหละเท่ น, นีมันเห็นตามความเป็นจริง จิตใจของเราจะได้รับความเยือกเย็นมีความสงบถอดถอนกิเลสคือความจิดมั่นถือมันในตัวตนออกราคะโทสะโมหะออกทีละน้อยละน้อยละน้อยมันจะรู้ได้ด้วยตนเองนะถ้าว่าเร า, เาทำจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐานแล้วก็เดินทางวิปัสสนาพยายามฝึกหัดนะแต่ตามให้จริงพอมันจะฝึกหัด พิปัจฉนาเนี่ยมันจะไม่ไม่ชอบอยากจะออกนะมันจะติดอยู่ในสมาธิเพราะสมาธิมันมีความสุขนะมันเน่งมันสบายนะมันไม่ชอบที่จะออกออกจากออกทางพิปัสฉนาแต่มีแต่สมาธิอย่างเดียวมันไม่เกิดประโยชน์ประโยชน์มันน้อยมากมันต้องพิจารณาในเมื่อพิจารณาแล้วเห็นเห็นตามความเป็นจริงแล้วนั่นแหละตามแนวแถวของพุทธะ ตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะปฏิบัติตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่หลวงพ่อแนะนำไม่ผิดพูดอย่างนั้นได้แนะนำไม่ผิดถูกตรงตามหลักธรรมคำสอนของพุทธะตามธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราปฏิบัติ ด, ดูเดินดู พวกเราจะรู้จะรู้ได้ด้วยตนเองนะนะวันนี้หลวงพ่อขอพูดตอนนี้ก่อนนะเอาตอนนี้ไปก็ให้ลูกหลานนั่งภาวนานั่งปฏิบัติไปพอสมควรให้อาจารย์ น, น่อยเป็นผู้บอกอา้าวพอแล้วใครจะนั่งภาวนาตลอดไปหรือจะนั่งอยู่ที่นี่ก็ได้ตลอดทั้งคืนได้ไหมท่าไม่งั้นถ้านั่งไม่ได้ก็ไปหานอนเถอะนะ ไปหานอนไม่ต้องบอกญาติเราลงพ่อใช่หนั่งภาวนาต่อนาธานีนะเอาเปิดเปิดอมพสามนะ